ปจุปันนาติตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลร้อยสี่สิบเจ็ดอนุกา ย, ยสังขารของบุคคลใดกําลังเกิดว่าจิสังขารของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิว่าจิสังขารของบุคคลใดเคยดับ ก, กา ย, ยสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังฆะกณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทัคภณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสซาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่กา ย, ยสังขารไม่ใช่กำลังเกิด Platform ในอุปาทัคณะแห่งลมอสซาสะปัสสาสะวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและกา ย, ยสังขารก็กำลังเกิดแมในอุปาทานิโรทวาระ ก็พึงขยายคำถามปัจจุบันนาติตะวาระทั้งฝ่ายอนุโลมและปัจเจเนกะให้พิจารณาเหมือนในอุปาทวาระหปัจจุบันนานาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อยสี่สิบแปอนุกายแยสังขารของบุคคลใดกําลังเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ ปฏิวจีสังขารของบุคคลใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอาศะปัส า, าสะบุคคลผู้เข้านิโรธฉมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตต ภ, ภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่กาลังเกิด ในอุปะะาทัขณะแห่งลมอาซาสะปัสสะสะวิีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายสังขารก็กําลังเกิดอนุกายสังขาร ข, ของบุคคลใดกําลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคัขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทัณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากรูปอสสาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตจสังขารของบุคคลเหล่านั้นจากดับแต่กายจสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัณะแห่งรูปอสสาสะปัสสาสะจิตจสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายจสังขารก็กำลังเกิดร้อยสี่สิบเกอนุ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 จีตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจับดับแต่ว่าจีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งวิโตกและวิจารจีตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจับดับแล้วว่าจีสังขารก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาสร้อยห้าสิบอนุกายแสังขารในภูมิใดกำลังเกิดอนุโลมปุขโคลกาตร้อยห้าสิบเอ็ดอนุ กายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งลมอาซาสะปัสสะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จักดับในอุปาทขคณะแห่งลมอาซาสะปัสสะของบุคคลผู้เข้าปถมชาญ แลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและวจีสังขารก็จักดับปฏิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจาจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งลมอซาสะปัสสะสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิในอุปาทพณะแห่งจิต ของบุคคลเหล่านั้นซึ่งเว้นจากลมอซาสะปัสสะบุคคลผู้อุบปาจูในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่าน evet. ั้นในภูมินั <nun> <awa> ้นจักด <DS> ับแต่กายสังขารไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทัคขณะแห่งลมอซาสะปัสสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบปาจูในกายมาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายสังขารก็กําลังเกิด อนุกายยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายยสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังค์ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในอุปาทคณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอชาสสะปชาสสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ กายสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัคณะแห่งลมอซาสปาซาสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูม mm ิน hmm ั้นจักดับและกายสังขารก็กำลังเกิดร้อห้าบสอนุว่าจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตแตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ วจีสังขารของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังค์ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในอุปาทาขณาแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทาขณาแห่งวิตกและวิจารจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและวจีคคนนนนจวจสังขารก็กำลังเกิดปัจจีนกบุคคล ร้ออนุกายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสซาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตต ภ, ภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จักไม่ดับ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 กายยสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุกายยสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังคาขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทภณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสซาสสะปัสาาสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังคข้ขณะแห่งปัจฉิมจิตกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ร้อยห้าสิบสี่อนุว่าจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด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 และจิตสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิจิตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับว่าจีสังขารของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปัจเจอเนกะโอกาดร้อห้าสิบห้าอนุกา ย, ยสังขารในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปัจเจอเนกะปุขะโลกาด้อยห้าสิบหอนุกา ย, ยสังขารของบุคคลใด ใ, ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด วจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักตาบใช่ไหมวิในพังค์ขณะแห่งลมอาสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลางมาวจรภูมิในอุปาทคณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมอาสาสะปัสสาสะบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่วจีสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังคะขณะ แ, แห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นในพังคขณะแห่งลมอาสะปะอาศะของบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหล จึงเว้นจากลมอาชาสะปัจชาสะบุคคลผู้เข้าเจตุตฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภ, ภูมิกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและวจีสังขารก็ไม่ใช่จักดับปติวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับกายะสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทักขณะแห่งลมอาชาสะปัจชาสะ ของบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่กายสังขารไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังค่าขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณจกเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นในพังค่าขณะแห่งลมอาซาสะปัตสาสะ ของบุคคลผู้เข้าทุติยชาตและตติยชาตในอุปาทาขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมอจ่าสะปัจจาสะบุคคลผู้เข้าเจตุทชาตและบุคคลผู้อุปัติอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิวัติสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและกายสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด จิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในอุปาทคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากรวงปัสสาสะปัสสาสะกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเปิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเปิด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 วจีสังขารของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ 6. กปฏิทานาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อห้าสบแอนุกายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาปรปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห settling, ่งจิตนั้นกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้กายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแล้ววจีสังขารก็จักดับปฏิวจีสังขารของบุคคลใดจักดับ กายสังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุกายะสังขารของบุคคลใดเคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้กายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจิตตสังขารก็จักดับปฏิ จิตตสังขารของบุคคลใดจักดับกระยะสังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปุชฌาที่เป็นอดีตกับอนาคตทั้งอนุโลมและปัจจ尼กะในนิโรธวาระท่านจำแนกไว้โดยประการใดผู้มีปัญญาก็เพิงขยายปุชฌาที่เป็นอดีตกับอนาคตทั้งอนุโลมและปัจจ尼กะแม้ในอุปาทานิโรธวาระให้พิจารณาโดยประการนั้น ในนิโรธวาระก็เช่นเดียวกันไม่มีข้อแตกต่างกันอุปาทนิโรธวาระจบปวติวาระจบสามปริญญาวาระร้อยห้าสบเกอนุบุคคลใดกำลังกำหนดรู้กายสังขารบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้วจีสังขารใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดกำลังกำหนดรู้วจีสังขาร บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้กายสังขารใช่ไหมวิใช่พึงจำแนกปริญญาวาระแม้ในสังขาระยะมกะกะให้พิสดารเหมือนในขันธะยะมกกะปริญญาวาระจบสังขาระยะมกะกะจบ ยามักกะ 1. อนุสยัยเจ็ดคือ 1. กามราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือกามราคะ 2. ปัิกานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือปัิกะ 3. มานานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือมานะ 4. ทิฏฐานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือทิฐิ 5. วิจิกิจชานุสัย กิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือวิจิกิจฉาหภวะราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือภวะราคะ 7. อวิชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคืออวิชชา 1. อุปติธานวาระ 2. ปุกกรรมราคานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิกรรมราคานุสัยในที่นี้คือเวทนาสองในกรรมทาต นอนเนื่องปุปฏิคานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิปฏิคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องปุมานานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิมานานุสัยในที่นี้คือเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุนอนเนื่องปุทิฏฐานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิทิฏฐานุสัยในที่นี้ เคยในสภาวะธรรมที่นอนเนื่องในกายของตนทั้งหมดนอนเนื่องปุกวิจิกิจฉานุใสยนอนเนื่องในที่ไหนวิวิจิกิจฉาในที่นี้เคยในสภาวะธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมดนอนเนื่องปุกภาวะราคานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิภาวะราคานุสัยในที่นี้เคยในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องปุก อวิชานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิอวิชานุสัยในที่นี้เพื่อในสภาวะธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมดนอนเนื่องอุปติฐานวาระจบ 2. มหาวาระหนึ่งอนุสยะวาระอนุโลมบุคคลเอกมูลกะใน 3. อนุการมาราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่อง ปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกรรมราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุกรรมราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิมานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกรมราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม วิมานานุสัยของอนาค า, ามีบุคคลนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยไม่ใช่ น, นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลสามจำพวก น, นอนเนื่องและการมาราคานุสัยก็นอนเนื่องอนุกามาราคานุสัยของบุคคลใดนอนเ น, นื่องทิฐานุสัยของบุคคล น, นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิกามาราคานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่ทิฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง การมราคานุสัยของบุคคลผู้เป็นผุุ้ชนนอนเนื่องและทิฏฐานุสัยก็นอนเนื่องปฏิทิฏฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุการมราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องวิจิจิชนุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิการมราคานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่อง Tay, fam, ตแต่วิจิก Bay, จ Jessie, ิจชานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลผู Vince, ้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและวิจิกิจชานุสัยก็นอนเนื่องปฏิวิจิกิจชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุการมราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิ ภาวะราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิภาวะราคานุสัยของอาณาคารมีบุคคลนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องภาวะราคานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและกามราคานุสใสก็นอนเนื่องอนุกามราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ ปฏิอาวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิเอาวิชานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องเอาวิชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและการมราคานุสัยก็นอนเนื่อง 4. อนุปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม วิใช่ปฏิมานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิมานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องอนุปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิปฏิคานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุ ปฏ hm ิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยอวิชานุส yeah. ัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอวิชานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่อง หาอนุมานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยวิจิขิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิมานานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องแต่วิจิขิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและวิจิขิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปติวิจิขิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่อง มานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุมานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยอาวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่6อนุทิฏฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่อง วิจิขิชานุสัยของบุคคลนั้นก็ <rain> Jamie, นอน <disciple. S 2> เนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิวิจิกิจชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุทิฏฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่อง ทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก <administer> right? uh ็นอนเนื่องใช่ไหมวิอาวิชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื uh? <โ>่องแต่ทิฏฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุตุชนนอนเนื่องและทิฏฐานุสัยก็นอนเนื่องเจอนุวิจิตริชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยอาวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปติ อวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องวิจิกิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอวิชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องแต่วิจิกิชานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุตุชนนอนเนื่องและวิจิกิชานุสัย้อนอนเนื่อง 8. อนุภาวะราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม วิใช่ปฏิอวิชาน kind of ุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่เอกะมูลกะในจบท mm. ุกกะมูลกะใน9อนุกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิ มานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องการมราคะนุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิมานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่การมราคะนุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องเมานานุสัยของบุคคลสามเจมพวกนอนเนื่องการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องอนุการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่อง ทิฏฐานุัยวิจิกิจฉานุัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิกามราคานุัยและปฏิภานุัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุัยไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุัยและปฏิภานุัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุัยก็นอนเนื่องปฏิวิจิกิจฉานุัยของบุคคลใดนอนเนื่อง การมราคานุส <unlucky. S 2> ัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภวะราคานุสัยอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิ อาวิชานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่การมราคานุใสและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องเอาวิชานุใสของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องการมราคานุใสและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องทุกกะมูลกะในจบเด็กกะมูลกะในสิอนุการมราคานุใสปฏิคานุใสและมานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องทิฐานุใส วิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิกรรมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่วิจิกิจานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและวิจิกิจานุสัยก็นอนเนื่องปฏิวิจิกิจานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่อง กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุใสของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อน Tip ุการม mm hmm. ราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอ <sein> ว <ieme> ิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัย และมานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิเอาวิชานุสัยและมานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องเอาวิชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยก็นอนเนื่องติกกรมูลกะในจบเจตุกรมูลกะในสิบเออนุ การมราคานุส enfin mm. ัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุ การมราคานุส um. ัยปฏิคานุสัยมานานุสสยและทิฐานุใสยของบุคคลใดนอนเนื hmm. ่องภาวะราคาหนุสสยอวิชานุสสยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอวิชานุสสยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคาหนุสัยปฏิคานุสสยมานานุสสยและทิฐานุสสยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอวิชานุสสยและมานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่อง แต่การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยรามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่ทิฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุตุชนนอนเนื่องรามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยก็นอนเนื่องจะตุกะมูลกะในจก ปัญจกะมูลกะในสิบสองอนุกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภาวราคานุสัยอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุใสปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอวิชานุสัยและมานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่การมราคานุใสปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยการมราคานุใสปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง อวิชานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปัญจกะรมูลกะในจบฉักมูลกะใน 13. อนุการมราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภาวะราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่อง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 ทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยก็นอนเนื่องชักระมูลกระในจบอนุโลมโอกาสเอกะมูลกะในสิบสอนุการมราคานุส no. ัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิปฏิคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกรมราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม วิไม่ใช่อนุการมราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิมานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิมานานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นี้คือ ในเวทนาสองในกรรมาธาตุนอนเนื่องและกรรมราคะนุสัยก็นอนเนื่องอนุการมราคะนุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องการมราคะนุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในทุกเวทนา ในรูปะธาตุและรูปะธาตุนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามราตานอนเนื่องและในกามมราคานุสัยก็นอนเนื่องอนุการมราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใช่ปติภาวะราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่อง การมราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใช่อนุการมราคะนุสัยในที่ใดนอนเนื่องอาวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอาวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องการมราคะนุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอาวิชานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่อง แต่การมราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในความมัธยฐานนอนเนื่องและการมราคานุสัยก็นอนเนื่องสิบห้าอนุปฏิคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิมานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ ปฏิภาวนุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิภาวนุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกลางมรรทและในรูปธาตุอารูปธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิภาวนุส <IS> ัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือ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 ปติอวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอวิชานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตุและในรูปธาตุรูปธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องสิบหมานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในทุกเวทนานอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในคมธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุนอนเนื่องและมานานุสัยก็นอนเนื่อง อนมานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิมานานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในพรมธาตุนอนเนื่องแต่ภวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและรูปธาตุนอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็นอนเนื่องปฏิภวะราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่อง มานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุม า, านานุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอวิชานุสัยในที่นี้คือในทุกเวทนานอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นี้คือ ในเวทนาสองในกลามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุนอนเนื่องและมานานุสัยก็นอนเนื่องสิเจอนุทิฐานุสัยในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏ huh ิวิจิกิจชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฐานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุทิฐานุสัยในที่ใดนอนเนื่อง ภาวะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเน <issy> ื่องใช่ไหมวิทิฏฐานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสามในการมาธาตุนอนเนื่องแต่ภวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็นอนเนื่องปฏิภวะราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุ ทิฏฐานุสัยในที่ใดนอนเนื่องอาวิช า, านุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอาวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่สิบปอนุวิจิกิจชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิวิจิกิจชานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสามในกรรมาธาตุนอนเนื่อง แต่ภาวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอ ร, ะระูรปธาตุนอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็นอนเนื่องปฏิภวะราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อ e นุวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิ อวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องวิติกิจชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่สิเกอนุเพราะว่าราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื <t <t <t <t <t <t ่องใช่ไหมวิอวิชานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสามในการมธาตุนอนเนื่อง แต่ภาะวะราคานุใสไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องและภาะวะราคานุสัยก็นอนเนื่องเอกมูลกะในจบ